จากนี้ไปเป็นพระธรรมเทศนามหาจารวดสันดรนจาดกฉบับ พ, พิเศษชุดสร้อยรวมทรรมกันตีสองจจวาหิมมะปานตรวจชำระคัดเล่าสำนวนใหม่โดยป่ออินสมชัยชมพูปเปรียน ร, รมหกประโยชน์นักทรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดจิงาย นามัตตสัพพะกัวโตอะราหะโตอสัมมาสัมพุทธัสสะ เหติสาวริกะเหตว a ตะโตจุตามัตตารัญโยอากามะเหสิญากุจิมเหนิปปติลำดับธรรมะเตสนามะบวขาดส่วนนางนาทุนสดีฮับปนีอาข้าวจากตันเต้าอินตา กอไก่กาก้อยกาจากภาศาสเมืองบนเลาปาติสนกำเนิดในต้องนางภูพาเสดิวีแห่งเจ้าปุริมัตตราเตจอาสิงสาสิบเดือนมาควบไขนางนาทัยเตวีก็พาสู่ใดบุตรีน้อยอ่อนงามจะจดเหือคน มีกันท่าตนหอมหฮืนปูนดีจืนเหลือลายดังผ้าภายลูบไล่อบตาใสจุนจันยะที่หันเป็นเหตุจริงใส่จื่อนางน้อยเนตรพุทธศดีวันเดือนปีปันไข่กันนางขึ้นใหญ่ได้สิบหกว่าสาก็ได้เป็นจ้ายญ้ารวมขางแห่งเจ้าจ้างจื่อสนใจ ตาเอามีใจจ้องห้อยฮักนางยอดซอยนำนาฮื้อนางกันยามมวนมากอุปถากเห็นกันฮื้อจอมควันยศใหญ่จมบานไข ว, วันคืนก็มีฮันแลลนาอาทาสโกโออันว่าคุณอินตาตนภาเสด ร, รัมเพิ่งเกิดนาวอนว่าสลีบังออนนาไทายขอปอนไววสิบพาการปอนเจียงขานตังเกา ยอมแล้วแก่เจ้ากันยาส่วนปอนอันขอบุตตาูกแกวยังไปแล้วบัวระมวลสมเพื่อกวนกูให้เฮืองดังดาดังไดดังกิตนาคุณอินตาเกิดแล้วก็กาดแก้วภายพันรีเปยวพันไว้ว่องขึ้นสู่ห้องตู้สีดาแล้วใครจะต้านต่อซึ่งเจ้าหนอสัมพันอยู่ว่าดุราเจ้ากูผู้หาตุกบ่ได ปัินางนอไทยเตวีอากามะเฮสีน้อยนาแห่งต้าราสัญใจยินมีใจใครใดซึ่งลูกนอไทยแตนเมืองกวนเจ้าบุญเรืองยาจา้าลงสูนอพปทาทวีแถมปาระมีฮือใหญ่ฮือปันไดทัตพระญาแดดเตอ ถาดนั生生 course, mm. ่นคุณอินตนองอาดก่อโอกาสกำดีกับเตวาบุตรมีหกหมืนหือใจจื่นลงมาเกิดเป็นเสนาเพราะมูเกิดเป็นกูสหายแห่งหล่อบุญภัยยอดใหญ่เพื่ออยู่ไกลอาสากันคุณอินตากก่าแล้วก่อกาดแก้วขึ้นมาสู่ตาวะติงสาเตต้องเข้าสู่ห้องเวใจยนก็มีฮันแลนา อันว่าดอโพธิญาณตนองอาจกันรับโอกาสปาติญญาแห่งคุณอินตาเมียนแล้วก็กาดแก้วไกลกาดจากตูศีดาแต่ต้องลงสู่ห้องเมืองคนเอาปาติสนกำเนิดในต้องนางผู้พาเสดพุนสดีส่วนเทวบุตรมีหกหมืนอันใจจืนจอมกันก็ภัยพันไว้ว่องลงสู่ห้องเมืองคน คือปติสนก็เกิดเอากำเนิดกาญญาในเกหาอามาตนับบ่อขาดกมือนคนก็มีหันและนาเมื่อโปทีสัตว์ลงมาเกิดในต้องนางภู่าเสดพุทธสดีนางเตวียดใหญ่ก็มักไขอวยตาน จิงไครอาการบอกกล่าวเฮือแก่เต้าสันใจเต้าก็ไขโอกาสเฮือพลามผูช้าลาดมาตายพามก็ถวายขับไว้ว่าคาแดพระบัตไทยสีปีรอยสตนมีบุญกวางบ่รูห้ห่างต่างตานหากบรรดานมาเกิดในต้องนางผูพเเระเสดเตวี เจ้าปุรีรู้แล้วอกใจผ่องแพวเจยิบ้านจริงฮือแปลงกว้านตาลหกตีกือตีซาตั้งสีและกางเวียงของยายเรียงตั้งไว้และตีไก่หอคำฮือนางบนนำเจ้าหยอดใดสละต่อเตตานเป็นนิจากการบ่อภาควันหนึ่งหากหกแสนคำก่อมีฮันและนาะ น้องพุทสดีผู้แม่กับผ้าแก่บัวระมวลกาละกวนมารอด น, นางไข่สอเตี๋ยวไปพอเวียงใจจู่ดาวจริงบอกเต้าสามิกาเต้าก็เฮเสนาแต่งยองไข่จู่ห้องปุรีนางเตวีนอลาก่อขี่รถมาเจียงคานมีใจบ้านจืนจอย คือมาก้อยเตียวไปถึงเบียงใจไปนอกลมกับมัชาวาดบอกสัญญาในมักกาปอก้าอันมาพร้อมหน้าสุมกันนั่งก็ไขปันโอกาสบอกอาาตเซนาหือไปสาขับไว้ซึ่งเต้าไทยสนใจพระฟูว่าในหูแล้วก็คือแปงเฮือนแก้วมงกุลท่ามกลางท่ามกลางหุ่นตั้งใจแก่นังนอทยเทวี นางชมสลีหยอดซอยก็พาสูตรลูกน้อยบุตตาตีมกาตั้งใจปอก้าไว่ซุ้มกันก็มิหันและนะอันว่าปพ่ที่ซัวเจ้าตนบุญแก่กันปนจากตองแม่มันดาก็มือนตาตั้งกูเหยียดมือขวาอูเจีนจาวาดูระแม่เป็นเจ้า ของแม่ดอนเนาอยังมีค่ายินเดียข า, ข, า ข, าขาคอยไข่สละปล่อยเตตานแม่ยานานเนินจ้าคือแก่ค่าบัดเดียวนางชมชาเลียวผู้แม่มีใจกว้างแผ่นยินกำ ก็เอาธงคำอันใหญ่หากใส่ไว้พอพันยนยกปั่นยืนให้แก่เจ้านาไทยบุตตาว่าของเราราบ่อไร่เจ้าจุงให้เป็นตาตามใจบ้านแผ่กว้างเพื่อก่อสร้างปารมีแดเติ้ อันว่าโปทิสะตนผ่านแผวป้นต้องแม้แล้วเจนจาหากมีมาสามจาดคือเมื่อเป็นอามาตมะโหสดภูมิยศอันใหญ่จาดเป็นตาวไทยเวสันตรร า, าจาจาดเป็นพญาศิธาอันเป็นจัดสุดปลายนี้แหละนา กันยามดีมารอตอนเต้ายอดสันใจใส่วงใหญ่ปู่ป่ามาพร้อมนาลายลามจักใส่น้ำแห่งเจ้าจริงเอาเหตุเก้าเป็นไมย้ย้อนตนใจน้อยอ่อนเกิดในบอนหนต่างจริงเว้นวางกดจื่อใส่น้ำาหือขุนธรร ม, ม่าเวทสันตาระกุ ม, มานวานเละนา เถนาวตังเหตุดังอันกาถาปันธนาอันจินยนจพระยอดซอยหักเตสนาวานไม่หังมาติกังนามดังนี้เป็นตน <c oughs> ว่ดดุราสารีบุตรตนผาเสดเมื่อเราเกิดเตรียมมาปางนั้นนะจือซอยบอติดหอยวงสาตั้งเอาอาพ่อแม่ตั้งเท่าแก่ตานายญาติตั้งลายไม่เหตุ อันเกิดเขตมาก้าวเวสันตราราจาเปลือยแลนา <c oughs> ในวันนั้นโพธิสัตว์ตนบุญกว้างเกิดมาสร้างฝาราฟียังมีแม่จ้างดีผ่าเสิดงามลำเลิดคนข่าวมาจากกลางเฮาอากาศนำลูกจ้างตัวหนึ่งองอาจข่าวงาม มาไว้ในอารามโรงจ้างอันใหญ่กว้างงามดีแม่ฮัดที่นี้จ้างแก้วก็กาดแก้วหนีไปเจ้าวเวียงใจใหญ่น้อยจอยจื่นจอยเจอย้านจริงใสจื่อจ้างสารสตัวเลิศแล้วว่าจ้างผูก้แก้วปัดใจนาเกียนก็มีหันและนะ ราจาันว่าพญาสนใจตนป่อฮักลูกน้อยนออุดมก่อฮือหาแม่นมผู้หาโต๊ดบ่ได้นับอ่านไข่หกสิบสี่คนมารุมราตนลูกเต่าทัดนั้นเล่าก่อฮือสะแหว่งหายัางแม่นม้าหลายแหล่ปั่เริ่นแก่กุมารลูกเสนาหันอามาตอันเกิดร่วมบาตัญญาม ก็บตนคิงรามหลูกแก้วนับอ่านแล้วหกหมื่นคนนอตาสะผลติไวจำเรือนใหญ่เจาบานด้วยพาริวาหกหมื่น 60, นาจอยจื่นสดใสเจ้าหอใจตนป่อรักเจ้าหนอภูบาน ก็คือเขื่องอลังการก่ามากนับแต่หากแสนคำนอคุณทำยอดซอยบ่อไฟหอยผาร่มก็ปั่นแม่นมเสียงไข่เขาก็น้อมว้ทุนสายังพญาปปอเต้าเต้าซ้ำเก่าไขขคานว่าลูกกู้คือตานสู่แล้วจุงรับตานลูกแก้วตามใจนอหอใจเวทสันตระราดใดภาสาเตตานยังเรื่องอลังการกล้ามาก เก้าหอนหากเป็นธารกาก็มีหั่นแลนาเมื่อโพธิัตว์เจ้าตนบุญใหญ่าอานุได้แปดปีพงนอนดีใส่หญาดในภาษาต์ป้ายบนมีกังบนกึ่ดรอดคนิ้งสอดในใจว่าพื้นขั้วไปแผ่นพาน ตั้งเครื่องงาลังการกูเฮือตานจกออกเป็นของปายนอกดีดีกูยินดีลำหญิงไข่เฮือสิ่งปายในแม่นมีไผยมาเก่า ว, ว่าข้าแดนนอเต้าห่อใจ จุงปั่นหัวใจแก่ข้ากูจักจกกว่าตานไปแม่นคนใดมักสู่ไข่ใดตาตั้งกูตนกูกูจักอินดูจมจื่นควักออกยืนตานไปแม่นคนใดไข่ใดจินเลือดใสไข่มันกูกอจักฟันเถื่อแทกกินมันแยกหนียวตานแถมผ้ากันดึงใส่ไผ่ไขใดตนกูเอาไปจูช่วยใจ อยู่ตีไก่กะตำการกูบ่อ น, นั้นเดินจ้าจักรีบกว่าตัวไปแลยนะ <c oughs> ในเมือ่อพ่อที่สัตเจ้าเกิดขานิงเหล่าต้านตนแผ่นดินด้นว้วันกองสะนันถึงพร้อมเข่าสีเนโรยมอ่อนก้อมกวัดแกง น, น้อมไปมา วิโจโลตาฟ้าแมบก่อสาแลร้อยเรื่องฝ้านันเืีองบ่อขาดฝนตกหยาดเลือนลายสร้างมุดกายความเขือกน้ำปุงเปือกไปมาเตวดาขับวปถ้าวายดอกไม้ปู่จ้าคุณอินตาอวอยนาพอลมฟ้าเหมืองคนตกมือตนจ้าใจปู่จ้าตันให้เวทสันดอน เหตุสังหอนเกิดต้องถึงรอดทองมาหาพร้มก็มีหันและนาเตนาวดตั้งเหตุดังอันก็าปันธนาจืนจ้อยพระยอดซอยจิงเตศนาวายาะตะหังตาระโกโฮมิดังนี้เป็นตน ว่าดุราสารีบุตรตนชาลาดเมื่อเราเป็นจาาเวสันตราชามีวัยยาขึ้นใหญ่อายุได้แปดขวบขนิ้งจวบมหาท า, านแผ่นดินดานว้วันกองสะนันถึงพล้มและนาอันว่าหน่อปุทธาติไวัยขึ้นใหญ่ได้สิบหกปีจบทองดีชาลาดโดยสิปศาศาศาัสสนาทาอันว่าพญาตนป่อรำเพิงต่อบุญเรือง ไข่เวทเมืองอันใหญ่เฮือลวกได้เป็นพาญยาจิงเจียนจาบอกเราส่งนางนอนเนาพุนสดีกอแปวนังมัดทีงามองอาจลูกเต้ามัทราชาเมื่อเป็นจ้าญ้ารวมข้างแห่งนอเจ้าจ้างเวทสันตาราชามีนางกันยาลายหลากปืนหกปันหากเป็นปริวาน แล้วกาตามกาณาพิเศษอาทิเรกมงคลยกยังตนดูกเตาเหือเป็นเจ้าสเสวยเมืองก็มีฮันและนา <c oughs> อันว่าวกาศธาตุนบุญกว้างเป็นเจ้าจ้างสเสวยเมืองยาสะเรืองยิงยตาตายโยต้าใต้โพธเตตานเงินคำคานลายหลากวันหนึ่งหากกแสน จาดเป็นแดนเมียดไว้บ่อขาดใดวันใดทัดนั้นไปไปนาบอ่อเนินจ้าหึงนานนัง่นงนงคานยอดซอยงามจื่จ้อยรา จ, จมัตีก็พาสุดสายสาลีลูกเตางามบอา่อเศร้าเป็นใจญาติตั้งหลายถั่วนารับเอาด้วยภาขายคำแดงเป็นของแป้งก้าใหญ่จริงหมยชื่อใส่ว่าจารี เป็นดับดีวิเศษตามเก้าเหตุบรรดาลกันจลิกุมารขึ้นใหญ่ลุกอย่างใดไปมานั่งพานแม่เจ้าก็พาสุดใดลูกเตายิงรามญาติตามบ่จะรับเอาโดยพาโกเจ้าเป็นมันเป็นเงาวะหวังดังดำเป็นดังดังมีเป็นผ้าดีกะมากญาติหากกฎหมาย เป็นจื่อสายยอดซ้อยว่านางนัดน้อยกันหาจีนาก็มีฮันแลนาโปธิสัตโตอันว่าโปธิสัตตนผ่านแผวย่อมขีดจ้างแก้วข่าวใสเสนาหนแวดล้อมแหนแหออมเป็นปาริวานไปพอกว้านตานหกแห่งเดือนหนึ่งแบ่งหกตีก็มีฮันแลนา ตาตากาลิงการเทตโตปุณธิกาโหสีในกาละนั่นเมืองกาลิงการาทาฝนขาดเหมือนนานกันอาหารอยากเข้าคนหนุ่มเท่านันเนืองทั่วตั้งเมืองเดือดไม่ตนเตา้าไทยหอคาได้ยินกรรโอกาสจริงเืออามาดไปถามด้วยกำงามทวนทีเขาก่อจีตามมี เจ้าปูรินยศแยวกก่อต้านกล่าวตามไรว่าเราจักคงแขยดูก่อนฮือฝนย่ันลงมาแล้วตนราชนยศใหญ่ก็น้อมใบสมตานเอาศีลเจียงคานตั้งแปดกำรดแขกเจ็ดวันฝนบ่หันสักหน่อยนำเงียดถอยบกบางเจ้าห่อขวางอดบ่ได้กอบอกภไยไตประจา ว่าดราตัานตั้งหลเหยืมวนมากเราหนี่หากเดือใจถือสินใสเจ็ดมือฝนโบพือลงมาจุ่มเราราหนุ่มเท่าจากกักาตั้มสั่งเราทัดไปฮอฝนใสหลังไหลหลังตกต้องทังลงมา ที่นันนาไพราศกอโอกาสไขกำบาข่าแด่เจ้าหอ่อคำเป็นเจ้ากำคนเหล่ามีมาว่ามีพาหยาญายศใหญ่ลูกเต่าไทยสันใจไหนเวียงไก่เตตอง แดนเขตทองเจตุตระดากนจื่อเวทสันดอนใจกวางตั้นมีจ้างข่าวใส่ไปในตีใดบอกการฝนย่อมหยาดลงมาขอมหาราชเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าพระจ้าเือพรำบ่นาฟงองอาจจบเจลาละด้วยโวหารไปขอจ้างสันเผื่อแก้วหือได้แล้วนำมาสู่ปาราเตต้องแดนเขตหองเมืองเรา หือบนเทาร้อนไหมเือฝนใหญ่ตกลงมากวรจะเลยนะต่าห้องสุดตว่วฝ่ายผ้าญากาลิการาดฝังโอกาสทวนสารพระผู้บ้านหันแจงจริงรีบแต่งยังพรามผู้เก่ากำงามองอาจจบฉลาดตั้งคอ จตนาปอไดแปดมีพล้ำชื่อรามะแขวดเป็นประธานแล้วมีราชะองค์การบอกกล่าวว่าสู่จุงรีพาวไปไว้ขอจ้างใจเพื่อแกวกันได้แล้วรีบนำมาตีนั่นพล้ำมานามวนหมูเตียวไปสู่เจตุตรานักแห่งพระพุทธรเบตสันตราชูองอาจด้วยศรัทธา <c oughs> หลายวันมาจู่จอจริงไปรอดกว่านตานอันเต้าผูบาลยศใหญ่เฮือสร้างไว้ห่นเรือเข้าไปเชื่อจ่อจอมหมู้นสะสูเนืองนันเขาบ่อหันยังเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าเวศสันดอนเขาก็จอดปีกปอกไปห่นวันออกปุบป้าเปืือซสาแหว่งหาจ้าใจยังเต้าไทยเวศสันดอนกอมีหันแลนา มหาสัตโตอันว่ามหาสัจเจตุนองอาจมักภาษาเตตานมีบันดาลใจมอวาจักไปพอกว้านตาอันปริวานแต่งไว้ตามเต้าไทยพระทรงจริงอับองค์ทงเกต้ดยน้าวิเศษสูกันธาสละมือโพชนะไหลเยืองแล้วเข้าเคืองพดับตน ขึ้นขี่จ้างมงก้นเผื่อแก้วกันขี่แล้วออกเวียงไปขนลำไหลเป็นหมู่ออกไปสู่ก้านตานหนสะทานวันออกพามสอกอกตั้งลายบอาจผ่านภายเข้าไกลวดบ่อใ ด, ดขอต้านจริงจากสะทานตีหันรีบจันจันเดี๋ยวไว้สู่พระตูใจหนใจอดใจไว้ดาขอก็มีหันแลยนะ ท่า น, นว่าพระมหาสัจเจ้าตนบุญนาไปพอสาลาหนวันออกบ่อหันขนต่างสารอกมะขอหลวดไปสู่หอกำไตยามนั่นพรมจริงได้โอกาสขอตานว่าคาแดพระภูบาลเป็นเจ้า ตนเป็นเก้าปุรีความสัตสดีใจจ้าจุงมีแก่เจ้าฟ้าตนบุญเดืด <c oughs> อดเมื่อนั่น้ทีิสัตว์เจ้าตนวิเศษหันพระหันพามต่างเขตเข้ามาขอตอนอยังอยู่บน้อจ้างแกวกันเขา่าเกาแล้วจริงจะทำ ด้วยกำงามบอกเซาว่าสู่ได้เข้ามาหาพาธนาใครใดของเครื่องใจอันใดจุงรีบใครบอกกาวเฮรู้เขามาไว รามแดนไก่ต่างเตตก่อนน้อมเกตวันตาว่าข้าแดดมหาราชเจ้าตนเป็นเก้าสีพีผู้ข้ามีใจไฟขอจ้างแก้วใหญ่คนใส่เพื่อนํำไปสู่ห้องแดนเกตต้องเมืองเราและนา พระมหาสัจเจ้าตนผ่านแผ้วได้ยินแล้วขันนิ้งในว่ากูคิดใจไฟเอือข่ายฮือจิ้งเลือดเนื้อเป็นทานพระมานาจันป้่อยบอกขอสิ่งไปนอกตนกูกวนกูโจตานตอกยังจ้างแก้วยอดปันพรามฮือสมตำใจไฟบ่ฮือได้ไกก้านอพุทธานยอดซอยจิงกาวถอยกางาม ว่าดูราพรามมวลมากันมาจากแดนไกลสู่มีใจไฟอ้างไข่ได้จ้างตัวใดมีคนใส่สะอาดขาววาวาดงางามเป็นจ้างตามใจไฟกูบอท่านีไว้ด้วยมัทเชรธรรม กูจกนำตาเล่าแก่สู่เจ้าบัดเดียวสู่จุงเร็วอย่าจ้านำจ้าง ก, กว่าไปปันนอคุณทันเก่าแล้วก็ลงจากจ้างแก้วนาเกียนแล้วพัดเวียนสามรอบเรา บ่หันตีเป่าจากแก้วแล่คำแดงเป็นของแปลงทุกสิ่งเป็นจ้างแก้วบิ่งเตียมตนเต้ากอเถือเอาน้ำตนคำอันเต็มด้วยน้ำหอมอันหญิงตนแก้วจริงใครจา้าว่าดูราพรามคำอันได้ส่มั ก, กูก่อจักเฮือส่บัตรนี้และนา ว่าอันแล้วก็ตอดกวงจ้างแก้วเหนือมือเฮือพรามถือสะพังเอาน้ำหลังตกมือพรามถึงว่วงามจ้างแก้วหยาดนำแล้วตันไปเงนินคำใส่ก็ใหญ่เครื่องผ้าดับใสปไปสารมีกาหาพระมาันบอดด่อใดเต้าบ่อไว้ตันไปเครื่องผ้าดับในตีนจ้างตั้งสีนับแจ้งทีเป็นแดน ก้าสี่แสนเก่าอ่างตีพระดับข้างตั้งสองทริปองแควว้นับว่าได้สองแสนพ้ากำปนแดงไตตองจ้างนับอ่านอ่างแสนคำไข่สามอันงามว่าวาดไ ข, ข่คําอาดเปลืองแป้งไข่แก้วแดงก้าใหญ่ไข่แก้วเขีวยวใจสามมุกดาหันก้าใหญ่นับอันได้สามแสน เขื่องคำแดงห่างจางนับอ่านอ่างพ่อแสนเครื่องคำแดงพาดับสองแก้มงามยิงแย้มผิวใสจัดอ่านไปแต่ใสมีกาใดพ่อแสนผ้ากำปนแดงหลาดหลังจางมีก่างแสนคำเขื่องวางตั้มยอดย้อย อ, อันใสห้อยสองหูผ้าพื้นปูหน้าผากมีกหาหักสามแสน กันได้กายขึ้นจ้างก้าก่าวอางพ่อแสนเครื่องคำแดงผ้าดับงาสองคำก้าบ่อต่ำสองแสนเครื่องผ้าดับงวงห้อยย่อนก้าบ่อผ่นแสนคำ <c oughs> เครื่องปูต่ำว่าวบาดอันใจลาดปุ่มปวกจ้างดับอ่านอางแสนคำใบให้แถวไข่มีกาได้แสนคำเครื่องผ้าดับตั้งมวนนั่นใส่ สั่งรอมได้สองล้านสองแสนคำและนะของอันควรกานับบอดได้เือแก้วผาดับข้าปุ่มชัดแก้วหยอดจิตชัดแก้วผาดับชัดในขายมุกแก้วขอจ้างแก้วผาดับขอจ้างและปุ่มพวกจ้างกับตัวจ้างตั้งมวนแก้วตั้งลายฝุงนี้มีกานับบอดได้เละนะ พระมาหาสัจเจ้าก็บอไว้ปดไปให้แก่ฝุงพรามตัวคนไปตามปั้เรือนจ้างนับอันอ้างหาลอยค่ากุณตั้งหม้อจ้างและกวานขีเจ้าก็บอทันีตานไปและนะ้าเหมือนนั่นอัศจรรย์เกิดกองไข่จุห้องอาณาก็มีหันและนาะ ธรรมทังประกาศเซนโตสัทธา า, าสัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวาตาตาสิยังพิงดาสะกังดังนี้เป็นตนเพคเวดูราภิกูตั้งลายอันเป็นสายอริญาเจ้า ตัวคำเจ้าภาวานาะในเมือพญาเวสันตราราชเฮือจังแก้วอาจตานไปแผ่นดินไหววันกองฟ้าลันร้องนันเนืองคนต่งเมืองอยากเห้ยวไขว่จูดาวปุริก็มีฮันละนาะ ส่วนพรามตั้งลายตั้งแปดมีพรามจื้อรามมะแพดเป็นตานก็ขี่จ้างสารตั้งหมู่คนหลังลูจ้อมตามว่าสู่บข่ขำตันเต้าตนภาพดาวสี่ปีจะเข้าจางดีวิเศษไปสูขเขตแดนในจุมพรามไข่ตอบต้าว่าสู่ยาว่าจะาหลเาต้าบุญภยัยใจกว้าง ใต่ตานจ้างปันตูจุม้หมูสูภัยน้อยอยาเก่าท้อยจะแข่งย่อมเสียแรงปังเป่าตูเป็นเจ้าป้ายสารพรมจะหันตอบต้าแล้วขี่จ้างพาเวียงไปก็มีหันแล้วนะ ส่วนคนตั้งหลายมวลมากอันเตวดาหากบันดลก็เกิดโกละหุนมีกองไปตัวห้องเวียงใจตั้งตีไก่และไก่เข่าโคดรไม่เวว่าไหลกันมาละลุ่มไปสู่คุ้มบังหลวงก็มีหันและนา เอนะวุตังเหตุดังอันกาถาปันธนาอันจืยนจ้อยพระหยอดซอยหากเตสนาวาดุราสารีบุตรตนลําเลิดเมื่อเราเกิดเป็นพระญาเจือเวสันตราชาผ่านแพลย์ได้เฮจ้างแก้วเป็นตานเจ้าเมืองห่านความเขือเกิดเหยาวอเยือกุ่มกองคนเลี้ยงน้องตุกตีเสียงกองมีนันเนือง จุมเจ้าเมืองฝูงหาวคือลูกเต้าและหลานพญาตั้งเสนาน้อยใหญ่จุมเจ้าไพ่สีปีฝูงเป็นดีแต่นอกตั้งเจ้าขอกสีมาเขาโก่อท่าหยักยาวร้องเอื้นกล่าวเดืองนันย้อนได้หันจ้างแก้วอันพรำได้แล้วนำไปเขามีใจโคตรหัว ไหลไปฟ้องเต้าสันใจว่าคาแด่เต้าผู้ว่าไหนเป็นเจ้าบัดนี้เมืองเต้าเป่าเสียสูญย้อนเต้าตนบุญลูกเต้าบ่อนับป่อเจ้าปุรีจ้างตัวดีลายแลปล่อยหฮือตานแก่เจ้าพระเมืองเต้ารำเป็นป่าจุมไฟฟฟาโกท่าเตียงจักมาคำคายังเจ้าฝ้าเหนือหัว กอย้อนตัวลูกเต่าหากเป็นเก้าป่าวีเจ้าปุรีเวสันตระดาตกวนพระสาสเตตันยังโผจน้าอาหารเขานําวัตถุพรมตามมีจ้างตัวดีองค์อาจบอกกวนพระศาสตันไปค้าแด่เจ้าหอใจยดใหญ่พิวาเต่าไทยหอคําบ่อตามกําตูบอกเจ้าเมืองยก ห อ, อกเป็นซึกบ่ยาจักแะนนอาต้งสุดตว่าพะญาสันใจฟังข่าวก่อตานก่าวกำไปว่าแม่นเบียงใจสี่วิราจักวินาศชิบหายกูบ่หมายเนี่ยใดตามไยไต จ, จะเหลียวลูกใจเดี๋ยวรักขอใจมักต่อดเตตาน สัทหารภัยแผ่อันเกิดแก่อกกูกันกูจูสู่สอนยรไร่ต่อบุตตาเทวดาถวนาเต <c oughs> ียงตานวานินตาจักเป็นธรรมมาดาสืบไม่กันกูใดบำบายเตียงพันภายไปไม่ในห้องไตอาเวจีย้อนกรรมบอดียาปราย ใส่ตอบใายตัวตันโกบ่ออาจฟันลูกเต้าด้วยดาบเงาวคมบางแลนาจุมเจ้าเมืองเท่าเท่าฟังเต้าเก่าไขจาก่อทุนสาตันเล่าว่าขีญาอันคาลูกเต้าใส่ใจด้วยปืนไฟหอกดาบย่อมเป็นบาปนำนาแม่นเสนาอามาใจเฮาหาดปานไฟ บ่มีไผัยาใดแก่ตา้าไทยตนบุญกวนหื้อขุนบุญมากนี่ออกจากเวียงใจไปอยู่ไหนป่าไม้อันมีจื่อไหวว่าเขา ว, วงกดควรจะละนา ตาอ่อนใจฟังขา่าวยังกำก่าวเจ้าเมืองตนบุญเรืองลมเล่าว่าดุรานุ่มเทาตั้งหลายพี่ว่าสู่หม่เป็นกันจากเอาแม่นตามกำกูจักจำลูกเตาเข้าป่าเศร้าดองตันเตาวาวันนี้มันคำแล้วจุงเฮือลูกแก้วตนกูอยู่สุขจูภาษาในห้องราดหอจันถึงยำบันผุกเจ้า ก่อยเฮือลูกเต้านี่ไปจุงอดใจไว้ก่อนสู่จุงผ่อนละนีเจ้าสี่ปีน้อยใหญ่ฟังเตาไทายไขปันเขาปะกันวนหมูปอกไปสู่เรือนตนกอมีหันแลยนะ เมื่อดันเต่าสันใจยราดร้อนขนาดเดือลายจริงหื้อนายนักการผู้ฉลาดไปโอกาสทุนสาไขขีญาเหล่าเก้าแก่นอโพธิสัตเจ้าตามีก็มีหันแลนาธรมมถังประกาศเซนโตสัทธาอาสัทธาสัพัญญูยอดซอยหันบาทถอยบัลลีบทหลังมีไปแจ้ง พลาจิงแสงเตสนาวาโอเทหิพัเตตรามาโนโดังนี้เป็นตนพิงขาเวดุราภิกุตั้งหลายอันว่าพญาสัจยายราตก็ใจอามาต่างตา ว่าดูระนายนักการผู้แก่นต้านจุงลุกเล่นไปฟันไปบอกจอมควันลูกเตาหือรูกเก้าขีนาว่าคาแดมหาราชเ จ, จ้าตนเป็นเก้าเวียงใจบัดนี้คนในไผ่ไตพร้อมเสียงไข่อาณาป้ากันมาฟังฝ้าเกียรติแก่เต้าบุญมีจักคับนีเจียนจากเือได้พรากเสียเมือง เต้าบุญหรือตนบุญเรื่องป่อเต้าจริงฮือข้ามาข่าวทุนสาบัฏนี้และนะจุงเจียนจาดังนี้แ ด, ดเตอติ่ตนั้น น, นายนักการผู้เจาลาดก่อไปสู่ภาษาใส่สีแห่งพระมูนีเวสันตรราชอันอาบาดตั้งหลายพงยังย้ายแวสอม แห่นแห่อ้อมเป็นปริวานแล้วทุนสารขับไว้ว่าคาแดพระบัตไทเดือหัวบัดนี้ตัวข้าเทาอันเต้าป่อเจ้าสันใจหฮือ้าไว้มาล่าวฮือรู้ข่าว่าที่ยังกันบอดีเป็นโตดคออยากโคตโกธา <c oughs> บัดนีนาะตุกใหญ่เกิดแก่เต้าไทยบุญเรืองย้อนเจ้าเมืองสะห่าวมาจักขับเต้าออกจากปุรีได้นีเป็นแก่นในวันผูกแม่นดีลีและนะมะหาสัตโตส่วนพระมะหาสัจเจ้าจริงตานเล่าจะขานว่าดุรานายนักการอามาตอันว่าเจา้าสีวิราชายิงใจ มีมากลายไข่เขตเขาเกียดด้วยเหตุอันใดกองทำใส่สะอาดคือตะสะราชจะทำเราบ่อตํำละไว้ปาฏิบัตไขจูพักการบ่อจะหานเฮาหาด บอกพระมาทวงศาย่อมเมตตาไพ่ฟ้าบอเยี่ยงนาจังไพรตอดอันใดหลายหลากอันเขาหากขันมีจะขับเร้านีออกนอกตั้นจุงบอกมาปันแด่เตอร์ในนักการน้อมไบว่าข้าแด่เต้าไท้บุญเรื่องจุ้งเจ้าเมืองหนุ่มเทาเกียรติแก่เจ้าตนบุญเหตุก็ตามคุณอันกว้างคือเฮจางเป็นตาน เขาบันดาลโคตรมากจากขับเต้าผากเสเมืองเปืืออันแลนะ <c oughs> ต่างสุดตากสัตว์ราบุญมากได้ยินแล้วหากยินดีจริงใครว่าตีตันเหล่าวาดูระเท่าต่างตาย้ำเรากาผาักทอง ออกจากต้องบารดาก็ขึ้นหาใจจอดคันดิ่งรอต่างตามาเตรียมอ่านจางหมิ่งแก้วแสงสิ่งเงินคำค่าคนนำเมียลูกสิ่งนี่ถูกของเบาตัวแห่งเรายังไฟเฮือตับปลอดใสหัวใจหูตาไข้ควักออกเนื้อเถือทอกเป็นตานจางไป้าสานตัวอาจเกิดกับพระบาทสมปาน เราคือตอนไปแล้วยังจ้างแก้วนาเกียนเจ้าเมืองเบียนจักคาจุงฟักพาตามใจเราบอกไกลกาผากบอละจากต่างตันแนนในเมื่อนายนักการผู้เท่ารู้ใจเจ้าบุญขวางอันจักบอกคนต่างเทียวไต่จริงน้อมไว้ทุนสาว่าเอวันตังศีบิโยอาหุดังนี้เป็นต้น ว่าข้าแดดมหาระะาชเจ้าเจ้าเมืองเล่าจะใครว่าเ ต, ต่าตนใดไรราดใดก้อยกาดกาไปห่นตั้งไก่ยิงลำเลียบฟังน้ำจื่อกนติมาราข้างดอยผาสูงใหญ่มีจิว้ว่าวารันจักิรีอยู่สำรันดีจ้าใจขอเตา่าไทยบุญขวางจุงไปด้วยห่นตัองอันนั้นเดเตอ <c oughs> อันว่าพระมหาสัจเจ้าก่อดตันเล่าจากขานว่าดุรานายนักการเท่าแก่เราบ่แวเสียไหนเราจักไปตั้งเก่าอันตันเล่าใครจะเต่าว่าเจ้าปาราคิวโคตบ่ใจตอดอันใดครับเราไกจากเขตกอด้วยเหตุเราตานด้วยอาการดังนี้ใจเรากี่ใจบ้านจักขอตานสุดซอย แลออันแล่เจ็ดร้อยดีีเจ้าสี่ปีไภาราชจุงเฮโอกาสเราตานสิ่งเจียงคานวันผูกลางตีถูกวัน้อเราจากไปแเละนะนายนักการผู้เท่านบกมเกา่าคืนหลังก็มีหันแลลนาเมื่อนั่นเจ้าเจียงจันนอปูที่ญานกับนายนักการผู้เท่านบกมเก่าลานี ก็เรียกเสนาบดีผู้ใหญ่อันใสไว้ต่างตาว่าตั้นจุงปิจารณอายาจ้าตกแต่งท่ามหาตาลห้องเจียงคานและอันแหละเจ็ดร้อยอยาฮือได้ถอยเสียการมาเตรียมอานรถเตรียมแอกจ้างตัวแบกขวาาัวลหล หญิงใจจ่วยใจงัว น, น้อยใหญ่สาวร่ามผู้จานางงามผ้าแผ่นล้วงสุดแม่นสุรากหฮือดาแต่งไหวพร้อมเสียงไข่จูอันอันเดเตก <c oughs> ันปงอัญ้าสั่งแล้วเต้าตนแก้วเวดสันทราชาก่อนหยาธารย้ายบาทไปหาภาสศาตราจามัทีก็มีหันและนาะ ตาอมาทางประกาศเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบาดถอยบาลีบทหลังมีไปแจงพระจิงแสงเตสนาวาอามันตัิทธาราชาดังนี้เป็นตนเพคคาเวดูราพิกคุส่งตนทารงสิ้นใสบ่เศร้ากันว่าโพธิสัตเจ้าบุญนา <c oughs> สั่งเสนาเบียนแล้วก็ไปหานางแก้วราชามัทธีก่าวกำดีจื่นจ้อยว่าดูรานางยอดซอยสายใจผู้มีวันวัสะอาดเป็นเจือจาดวงสา นางมาเป็นจาญ้าแต่น้อยปียังคาคอยจมบ้านตาว่าเงินคำคานแวนแก้วอันปียืนแล้วยอปันหรือจอมพันงามแงใดมาแต่ข้าคุณของเก้างม้นแต่ไทยนางจุงฟังไว้สันดีแดเตอร์เมื่อนั้นราชามาที่สีฉลาดฟังเต้าราดเจนจาจิงทุนสาตอบทอย ว่าของข้าน้อยยังมีจักฟังดีในมันตีได้หันแคว้นกัวนนั้นจาเมื่อนั้นพญาเวสันตรราชฟังดังนาฏไขาจาจริงก่าก็ถาไปนาวาสีลาวันเตสุตเจสีดังนี้เป็นเก้า ว, วาดูรานานอนเอาราจามัทที ที่ฝั่งดีพ่าเสืโตอดบอกเกิดมีมากือมีศรัทธาจมื่นยกย่อยืนตานไปในคนสินใสบ่เศร้าตาหนั้นบ่เป่าเสียสูญจะเป็นบุญอันใหญ่ป่าเฮอใดสัสวดีนางราชามัตทีฟังแล้วก่อเก่าวซึ่งเต้าตนแก้ววัดสาธุดีดีแล้วหวานก็มีหั่นแลยนะ เมื่อนั้นมหาสัจเจก็ตันเล่าคำดีว่าดุราราชามัทธิสรีนนเนาปีหักเจ้าสะเมื่อใจแต่นี่ไปไปนานางหนอลาโซภาจุงคุณนาลูกน้อยอันยังไปรู้ที่ถอยคำดีกองวัดมีแต่ก่อนนางอย่าพรวางลา ยังสองขาพ่อแม่อันอยู่แก่หัวใจอันหนึ่งใจใดเลิศแล้วมาอยู่กับน้องแก้วเตวีจุงป้าทีบัดดีดังปีมีใจกี่แปลงปันเต๊กนังเฮ้อเอย เมื่อนันน่งมัดที่ยอดซอยได้ยินทอยคำจ่าแห่งมหาสัจเจาก่อนนิงเล่าในหอระไทว่าพระจอมใจพัวมิ่งบ่หันบ่หอนกล่าวสิงหานีเอาคำบ่ดีมากล่าวเต้ารู้ข่าวสังจานางสังกาบ่ขาดจริงอภูพิว่าตุนจาว่าข้าแด่มหาราชเจ้า ตนเป็นเกาปุรีกัมบอดีเต้าเก่าน้องร้อนพระเผาเหลือใจกองวัดใดแต่ก่อนน้องบบผ่อนสักอันดังฤรือจอมขันตันเต้ามาตานเก่าพิษกองนี้จา เมื่อนั้นมาหาทรัพยเจ้าตนผ่านแผ้วจริงบอกนางแก้วราชาัชธรรมธีว่าดุราราชาัชธรรมธีสรีสะอาดเป็นเจ้าจัราชวงศ์สานางมาเป็นเจ้าญิงแต่น้อยปียังรักอิง อ, อ้อยเสมอใจเตาว่าเจ้าเวีงยงใจในนอกเ ข, ข่าครับปี่ออกปุรีถึงวันดีผูกเจ้า ปีเหือเก้าเศนาตกแต่งดาตันใหญ่พร้อมเสียงไข่มหาตานของสิ่งเจียงคานและสิ่งแล่เจ็ดร้อยบ่เหือถอยไกก า, กาวันเหือมารอดไข่ปีกอจักได้ละหนีจากประจามัตทีหนัดน้องละจากห้องเวียงใจเขาดงไข่ทองเถื่อนบ่มีเปือนป่อสอง ทารีปองทวนที่ชีวิตปีเองเดียวอยู่ด้งเขียวปากกว้างตีแรดจังเสือมีจักหันเตวีลูกเต่าตั้งป่อแม่เจ้าองค์คานย่อมเป็นการอันยากย่อนได้ผากเสียไก่นันแลนา นั่งมัดที่ฟังข่าวจริงต้านเกา่าใครจ่าว่าข้าแดดมหาราชเจ้าดังหรือปีเต้าตนเดียวจะเข้าด้งเขียวป่าไม้ <c oughs> ละลูกเมียวไว้ไปหลังบ่อถูกยังกองเก่าจะารีดเก่าโบราณเสืบมานานเดินจ้าแม่นดังหรือขา้าขอจอมไปตามจอมเตา้าไทยเขา้าป่าไม่แฝงผัว อันว่าตัวแห่งคาใดความดาวโมรณากับสามิกาเจ้าฟ้ายังสุขกว่าเสวยเมืองกำขี่เคืองล้ำบากรรมตกยากทนักใจในดวงพรป่าไม้ ยังสุกกว่าอันใดไก่กาจากสามิกาเป็นเจ้ากันขาน้องเนามัททีวิบากมีมาภาคใดปัดจากเผื่ตนจักคือคนจ่วยใจดังไฟใหญ่ลัวกลุ่มคือไฟสุมลุกไหมขาน้องไทยมัททีจักโบนีหลีกเว้นจักเป่าเต็นตกไปในก่องไฟอันใหญ่คือตันเล่าไว้มืันนาน ข้าแด่พระผู้บานชาเป็นเจ้ากรรมเก่าเล่ายัางมีแม่จ้างดีในเถื่อนย่อมไปเป็นเปื่นป้ายสารลัดดงดานเหวหาดไข่าอาวาดดงไพ่หวยดอยใดบ่ราบหินพาหยาบยินกัว ยังบอละผัวนีกก่าเล่นเข้าป่าเดียวได้อุปมาใหม่บอกไว้คาน้องไทยมัทยีจะเอ้าส่องสะหลีลูกแก้วงามเลิศแล้ววันไว้ก่อยเตียวไปก่อนหน้าต่อเต้ารอดป่าหิ ม, มาพานจะแหละนา กันนังมัททีเก่าแล้วต้นด่างแก้วจากวันนานายังดงนาป่าไม้ดังต้นใดไปหันจริงไข่ปันก่าถอยด้วยบาดซอยกาทถาว่าอีเมกุ่มมาเรปัตสันโตดังนี้เป็นต้นว่าคาแดเจ้าบุญมีกันข้ามัททีน่องเดาใดอยู่เฝ้าเตียมองในแดนดงป่าไม้ ราจากไดเล็งหันยังสองจอมควันอ่อนน้อยจักเ่าวถอยมดใส่ปากันไปฟ้อนเล่นแอรแอนเต้นเหลืองนั้นเต่าได้หันยังลูกบ่ก็ถูกถึงเมืองกันสองบุญเรื่องขึ้นใหญ่เย้าตัดดอกไม้ตาจันร์พันเมื่อกันฟ้อนเล่นฮกวิ่งเต็นไปมาตนราชายศใหญ่เตียงบ่ก็ขวัยเวียงใจ อยู่ดงไผยป่ากวางจากใดหันจ้างไปสานอยู่ดงด้านปาา่าเศาหกสิบขวบเขารวยแรงเตี้ยวลัดแฝงเทือนทองทรงเสียงร้องแสนสะเขียนดังโกเขียนร้องยามขำยามนั่นต้าพำหรือเมืองเจ้าบุญเรืองใจกว้างใดหันจา้างปังปายมีดวงลายเป็นมูลาเล่นอยู่ในไพร ย่อมสอดไปทั่วป่าทุกเมื่อละเดืองนั้นผันอ้วงกันสอดเล่นเนือเลนเตนดวงลายคือกวางทารายละมั่งเลียบตามฟังนาตีกินนารีเสพสังอยู่ปากวางจอมดอยกินนาร้อนลอยเลนตาขับฟอนลาไปมาย้มนันนาตัานเต้าเตียงลืมดาวเวียงใจ อันหนึ่งน้ำใสสะอาดตกตองตาภูเขามีไก่เต่ า, ตายาญ่าปุ่นดีอาบและกินจุ้มนกบินร่องกองนั้นตัวห้องดงควางเสือเหลืองข้างคาข้าทุกเขต ด, ดาวดงดอนราจะสีนอนเรียงแหล่เป็นกู่แอบแฝงกันนกยุงหันเป็นหมูฟ้อนห่างอยู่ดูงาม แม่นกตามสับตอดคอเซลสอดสนหางนกดงขวางมวลหมูร้องทองกูผัวเมียฟังเสียงเสียระรวนป่วนดีมวลบิ้งว้อนไก่ขันก้อนเมื่อคำเจ้าฟ้าพ้หรือเมืองและน้า ต้นบุญเรื่องแก่นไทยหันหมู่ไม้ใย่ๆดอกล้วงปลายสะผู่หอยย้อยอยู่ดูงามดอกหลายลำบ้านแพรมีจู่แง่ดงดานยางปลายกันสะอาดดองสะวาดแก้มใบไม้ในไผ่ม่วงน้อยย้ายยาถอยปันพวงไม้บ่วงหลวงจะจุ่มต้นแก่นุ่มแก้มกันตั้งไม่จันดอกน้อยลมปัดซอยปลายใบ แมงต่อมคำไปก็ไตแก่มหมู่ไม้แดงดงกันพระองค์หันแล้วเตียงพองแผหยินดีลืมปุรีเหมืองเก่าบอ่อกึดนเล่าทำหาย่ำได้นาเต่าไทยเข้าป่าไม่หิมมาปาน หันดอกบานอาข้าวเรื่องตัวดาวสระสีพักตบมีทุกสิ่งนิลูบนหญิงท้าฟังบัวบกยังย้ายยาทุกสิ่งอาจเต่องไร้ค่สะแสใสสลาบเป็นตีอาบดู ง, งามข้างอารามใสสะอาดกันเต้าที่ราดได้หันย่อมใจมันจืนเยว้วบก่กึศรอดดาวเวียงใจจะและนา อสิสาราจามัธีนนเน o ลูกเต้าเจ้ามัตตาจาวันนานาฝ่าไม่เป็นดังใดไปหันแกผัวจอมควันเวสันตระราชบ่หือขาดบทใดก็มีด้วยพระ ก, การดังกล่าวมานี้และนา เนธิตังขีญาสังวันน า, นาวิเศษจ่าหองเหตหิมมาปานอันผาดำภาดาด้วยกาถาว่าได้ร้อยสามสิบสี่าถากอบังกรมสมฤจเสร็จแล้วเตานี้ก่อนแล